อันนี้รายงานองค์หลวงตาที่นี่นะรายงานอาการอาภาษขององค์หลวงมหาบวยนสัมปันโนประจำวันที่12มกราคมพุทธศักราช2554เมื่อวานนี้11มกราคมนะตอนเช้าดูดน้ำซาวข้าวได้เล็กน้อยนะคือน้ำข้าวหนึ่งคือหลวงปูล่ลีเป็นดูแลเป็นผู้จัดทำนะแล้วก็เอาถวายหลวงตานะไม่สำลักนะตอนบ่าย16 00น คณะสิทธิ์ได้กราบวารัธนานิมนต์องค์ลงตาย้ายมาพักณนะปุตติหลังเดิมคือเมื่อวานอากาศหนาวอย่างที่หลวงพ่อได้บอกประกาศจังหวัดอุดอรในหนาวมากเริ่มหนาวแบบวอบลงมาเลยและก็มีอากาศฝนด้วยฟ้ามืดทั้งวันแล้วก็อากาศเย็นเฉียบเมื่อวานนี้พวกคณะทางฝ่ายพระสงฆ์และคณะฝ่ายญาติโยม เห็นพ้องต้องกันว่าวัจะกราบประทนาองค์หลวงตาเพราะว่าห้องไปยังไม่ยังไม่หายกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ก็ยังน้อยมากเพราะได้ผ่านมาสองคืนแล้วก็เลยกราบประถนาองค์หลวงตาท่านก็ท่านขปลาลบเองเหมือนกันว่าเราจะจะย้ายเข้าไปกุฏิน ะ, นะมันหนาวจนะากนั้นก็ได้กราบปราะทนาองค์หลวงตาเข้ามากุฏิเมื่อวานในตอน160หนแล้วก็ท่านก็ได้เข้าห้องนะ อาการไอของท่านเมื่อวานนี้เป็นยังไงอาการไอเป็นครั้งคราวเสมหาเหนียวนะไม่มีอาเจียนทายเหลวเล็กน้อยปัสสาวะปกติไม่มีไข้และแพทย์ให้การรักษา ย, ยาด้วยยาปฏิชีวนะคือยาระงับเชื้อเกี่ยวกับปอดขององลงตานะและสารอาหารและสารน้ำทางหลอดเลือด คือแผ่นถวายน้ำเกลื อ, อกับบวกกับยาปฏิชีวนะแล้วก็ก็คงมีแถวนี้อนาะการหลวงตานะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันเนอะเป็นไงจ ะ, จะมีจะฟังนิทานชาดกประจำวันใช่ไหมเวันนี้จะเอาชาดกอะไรเนาะให้ฟังเนาะเออคือชาดกนี่ก็ถ้าจะว่ารูปแบบหนึ่งก็เป็นการเตือนพ่อหลักของพระพุทธศาสนา หลักของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาดูนะพระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ ة, ประวัติศาสตร์ของร พ, รอพระพุทธศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์ทศวงศ์ทั้งหลายอยู่ในพระไตรปิฎกพวกเราก็เวลาจะพูดคือมาก็ต้องยกพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทถันตรัดอย่างนั้นท่านผูดอย่างนี้่ันแสดงยมกปฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทรมานผุดคนนั่นคนนี้แล้วก็โปรดคนนั่นคนนี้ไอันนี้ยรอนแล้วแต่แบว่าประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ก็ไม่น่าจะผิดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานั้นมีคุณภาพมีคุณธรรมมามีคุณธรรมเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นอย่างเมืองไทยทุกวันนี้เนะี่ยไม่สอนประวัติศาสตร์หลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะต้องมีที่ไปที่มาประเทศไทยต้องมีที่ไปที่มาให้เด็กสอนให้เด็กเล็กๆ เ, เ, นะเพื่อเขาจะได้สํานึกในการเป็นอยู่ของเขานะอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธศาสานาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์เพราะนั้น ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราแนะนําสั่งสอนท่านจะยกพระพุทธเจ้าพระราชน์สาวกพระโมกคาราภาษาลิบุตรภาคตะปะพระอานนท์พระปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์คะนั้นที่หลวงพ่อจะอ้างอิงนี่ก็คือประวัติศาสตร์เหมือนกันประวัติศาสตร์คือสมัยหนึ่งมาในพระไตรปิฎกว่าสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวรรถีที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารท่านปรารบเรื่องพระติสระพระติสระคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่พระติสระองค์นี้เป็นเชื้อพะวงนะเป็นเป็นน้องน้องของปู่ลักษณะอย่างนั้นแหะท่านก็เห็นพระพุทธองค์บวชท่านก็ได้บวชแต่บวชในข่าวในบวชภายแก่บวชเมื่ออายุแก่แล้วท่านจะได้บวชพอบวชเข้ามาท่านก็นิสัยเดิมครับก็ยังมีใช่ไหมล่ะท่านท่านเคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อน ที่ท่านก็ไปนั่งอยู่ศาลาอย่างเนี้ยนั่งอยู่ศาลาบวชมาไม่ไม่ถึงปีว่างั้นเถะบวชมาไม่ได้หถึงหนึ่งพรนษาแล้วก็คลองผ้าแล้ก็นั่งอยู่ที่อาสนะจากนั้นพระสงฆ์สมัยนั้นก็มีมากเข้ามาก็เห็นพระติดสานั่งอยู่บนศาลานั่งเอเตอย้ยางงั้นอ่ะทำตัวเหมือนกับพระเทระเหมือนกันเนี่ยพระทั้งหลายมาก็กราบกราบมาท่านก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้ เจ้าหก็มีพระองค์หนึ่งถามว่าเอ้าท่านท่านบวชนานแล้วยังเนี่ยท่านบวชนานเท่าไหร่พระติดสาก็บอกว่าผมบวชยังไม่ถึงพันษาเออผมบวชมาได้สองสามเดือนเอ้พระเหล่านั้นก็เอ้าทำไมท่านจึงให้พระที่มีอายุพันษากราบท่านละ่ะถ้าที่พระที่บวชก่อนเนี่ยมีอายุพันษามีมีมากทำไมท่านท่านจึง ให้ท่านผู้อง์อื่นกราบหรอองนี้ก็ตอบไม่ได้ท่านไม่รู้จักวินัยเนี่ยพระน้อยได้แต่เขาขู่ได้ทีนี่พราะเขามีอายุมีอายุพรรษามากกว่า เ, เขาก็ขูนะ่ทําไมท่านไม่รู้จักตัวเองเลยท่านเพิ่งบวชมาเท่านั้นเองทําไมท่านจังไม่เคารพอาวุโสพันเตไม่ได้นะท่า น, นไปลกุกเจนี่ท่านก็เคยเป็นเจ้านายมาก่อนท่านก็โมโหทีนี่ เอท่านก็ครูกับพระพวกนั้นว่าพวกท่านรู้ไหมว่าข้าพผมนี่เป็นใครแต่พระเหล่านั้นก็บอกว่าเออเป็นใครก็เป็นใครเถอะท่านเพื่งบวชเนี่ยท่านไม่อยู่ไม่ถูกตามทำทำ ต, ตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยท่านเพื่งบวชเนี่ยจะไปนั่งอยู่นี้ได้ยังไงให้พระเทเรซผู้มีอายุพรรษามากกว่ากราบท่านเนี่ยมันไม่ถูกนะเออไม่โทรกับผมนี่เป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้ละ่ะ ผมเลยเป็นเชื้อพวงของพระพุทธเจ้านะเออทีนี้ก่อนเดียวผมจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้แหละว่ากันแต่ทั้งร้องไห้ด้วยนะเสียใจว่ากัน้นเพราะพระน้อยคกเขาเขา้เขาว่าให้นะเสียใจว่ากันเถอะทั้งร้องไห้ไปไปไ ป, ไปพบพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์ที่เป็นเป็นผู้ขูน่นี่ก็ใจไม่สบายแล้ ว, ว่างันเถอะเออเห็นเห็นพระโอ้นั้นไปจะไปฟ้องพระพุทธเจ้านะี่ทั้งนี้กัน ดอม ด, อดอไปตามหลังกั น, ก น, นองพระติศาเนี่ก้องร้องโ hom ร้องไห้เข้าไปพระพุทธองค์บอกว่าติสะ เ, เธอเธอร้องไห้ด้วยเหตุไรทําไมจึงมีน้ําตาหนองหน้าอย่างนี้พระติศาก็บอกว่านี่พระทั้งหลายนี่คกคามฆ่าพระองค์คกคามฆ่าพระองค์ด่าฆ่าพระองค์เหมือนกับฆ่าพระองค์ไม่มีต้นมีสายอย่างนั้นล่ะ คล้ายๆว่าพัติสระคล้ายๆว่าเนี่แหละพระเรานิ้ดาฆ่าพระองค์เพราะพระเจ้าก็บอกว่าองไหนกลุ่มนั้นล่ะเอาพระองค์เอาเข้ามาเข้ามาก็เลยถามว่าทําไมพวกเธอจึงด่าพรัติสระคุกคามพระติสระพระเหล่านั้นก็บอกว่าพระติสระทําตัวไม่ถูกไม่ถูกการเทศะพรัติสระไปนั่งอยู่บนศาลาไปนั่งอยู่ตําแหน่งพระเถระ ที่ท่านนั่งจากนั้นก็มีพระมาจากต่างถิ่นมาก็มีอายุพันศ า, ากกว่าและก็มากรามากราก็พระติดจาก็ยกมือไหวย้ยกมือรับรับไหว้รับกราแต่พอข้าพระองค์ถามว่าบวชได้กี่พรรษาบอกว่ายังไม่ยังไม่ถึงพรรษาพวกข้าพระองค์ก็เลยบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ ท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกตามไม่จริงพระบวชใหม่เวลาเห็นพระเถระมาก็ต้องไปรับย่ามรับบาตรรับขี่บอนจากนั้นก็ล้างเท้าให้ล้างเท้าถวายพระเถระอันนี้คือทำหนบขนบธรำเนียมประเพณีที่พระพุทธเจ้า ว, วางพระวินัยเอาไว้แต่ น, นี้ท่านมานั่งอยู่บนศาลานี่ให้พระเถระที่มีอายุพรรษามากกว่ามากราบแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าผมเพิ่งบวช ท่านก็ไม่ได้ว่ามีแต่ยกรับไหว้ตลอดไปพวกข้าพระองค์ก็เลยได้ประนามบอกว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกนะท่านควรจะลุกหนีจากที่นี่เพราะที่นี่พระเถเรซเข้ามาแล้วท่านต้องออกจากที่นี่ไปอนี่แหละพวกข้าพระองค์ก็ได้พูดอย่างนี้จริงพระเจ้าขา่าอันนี้คือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ที่ประนามเพาพระพองค์ก็ถามว่าติดสะเธอได้ทําอย่าง พระสงฆ์ที่เขาทําจริงไหมพระติสาวกจริงจริงขับก็ผมแต่ก็ไม่น่าจะประนามด่าผมถึงขนาดนี้ผมเป็นใครแจะอ้างเองถึงเชื้อพระยาพทวงศ์อีกทีนี้พระพุทธองค์บอกว่าไม่ได้นะติสะในศาสนาของตถาคตนี่ใครบวชก่อนคนนั้นเป็นอาวุโสนะไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้มีเชื่อ ไม่มีเชื้อมีสายไม่มีอะไรทั้งหมดเนีเพราะพวินัยเป็นอย่างนั้นเ้าใครบวชก่อนคนนั้นเป็นอาวุโสที่บวชหลังไปเออท่าองค์หนึ่งบวชตอนเช้าองค์ที่บวชที่หลังมันองค์ที่บวชที่หลังก็ต้องกราบเน่กราบองค์ที่บวชก่อนหน้านี้อันนี้คือพวินัยของเราตถาคตบัญญัติขึ้นมาเยเพราะนั่นขอให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามนี้แต่เธอเนี่ย เพ่อบวชหนิก็ต้องกล่าวพระภิกษุที่มีอายุพรรษาเึี๋ยวถึงจะมีอายุพันมีอายุน้อยเธอมีอายุมากแต่เขามาเข้ามาสู่ในศาสนาของเราก่อนท่านก็ต้องกล่าวองค์เทศเข้ามาเราเข้ามาทีเข้ามาก่อนท่านแต่นี้พระติสสะไม่ยอมเหมือนกันแต่ไม่ยอมสมัยหนึ่งย้อนไปถึงภาษาลิบุตรที่ไหนภาษาริบุตร ท่านเข้ามาวัดป่าเชตตะวันตอนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็แย้งกุฏิกันกุฏิองค์นั้นกุฏิองค์นี้พระสารีบุตรไม่มีที่ที่พักในคือ น, นั้นอะ่ะพระสารีบุตรไปนอนอยู่ที่ที่ข้างๆกุฏิพระพุทธเจ้าตอนี้พระลาวหุ่นก็ไม่มีที่พักก็ให้ไป น, นอนเดี๋ยวห้องน้ําพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ ก็ถามว่าใครอยู่เนี่ยเนะี่ยพระราหุลก็บอกจำ ม, มนเนรราหุลพระพุทธองค์ก็โ อ, อ้ขนาดเราตถาคตยังยังเป็นยังอยู่ขนาดนี้ก็น่าจะหาห้องให้ว่าราหุลที่ควรจะพักอย่างไรถึงจะเป็นสัมมนเนรก็จริงอยู่แต่ก็ควรจะหาที่ให้พระสงฆ์เนี่ยทำไมทําไมจะไม่ดูกันถึงขนาดนี้จากนั้นก็พระสารีบุตรท่านก็เข้าไป ออกไปในพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปในห้องห้องบรรทมก็คงจะไปนั้นแหละทีนี้พระพุทธองค์ก็แกลอมเสียงหน่อท่านภาษารีบบุตรก็กแกลอมรับแต่ท่านกดพุกรลงก็ถามว่าอันนั้นเสียงใครภาษารีบบุตรว่ากับผมสาลีบุตรพระเจ้าค่ะเอาสารีบุตรเธอเธอทําไมนอนอยู่พักอยู่ที่นั่นบอกว่ากุฏิเต็มพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ ไม่ได้แหะซารีบุตรจากท่านมาผู้องค์ก็ประชุมสงในในวันนั้นออพอประชุมสงเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่านี่นะพระสงฆ์ทางหลายกุติเสนาสนะสงเนี่ยไม่ใช่ของผู้หนึ่งพอใดเป็นของสงเพราะฉะนั้นต้องพระเถระอย่างสารีบุตรมาเนี่ย เ, เทนเป็นอาฆาสาวกเนี่ยต้องมีที่พักผู้ที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าก็ต้นล่นล่นลงไป อันนี้ไม่ใช่กุติของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกุติของสงฆ์เสนาสนะสงฆ์นี่ท่นี้ก็พระองค์พระองก็เรียกประชุมสงฆ์เลพอเรียกประชุมสงฆ์พระสงฆ์ก็มาพร้อมกันพระเถระผู้ใหญ่พระน้อยมาหมดพระองค์ก็ถามว่าพวกท่านทั้งหลายการที่จะถืออาวุโสพันเต ท, ที่จะว่าเดินก่อนเนี่ยนั่งก่อนเดินก่อนบิณฑบาตเดินก่อนอย่างนี้พวกเธอทั้งหลาย เห็นสมควรว่าควรยังไงมันจึงจะถูกพระเหล่านั้นก็บอกว่าผู้ที่เคยเป็นกษัตริย์พวกที่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนเวลาเดินบิธฑบาตต้องเดินก่อนพวกหนึ่งบอกว่าพระสงฆ์นะมีหลายกลุ่มนะพระองม์ถามเนี่ยถามในถ้มกลางสงฆ์เนี่ยบอกว่าพวกหนึ่งบอกว่าพวกที่เป็นพราหมพวกเป็นพรามเนี่ยคือ ข้าหูสูตรผู้การเรียนการศึกษาผู้อยู่้องแคลวในไตเวสเป็นผู้ชำนิชำนานเวลาออกปินฑบาตหรือบ่นั่งก่อนควรจะให้พวกนี้นั่งก่อนพวกนหนึ่งก็บอกว่าผู้มีอายุมากผู้เกิดก่อนผู้มีตระกูลผู้เกิดก่อนนั่นแหละสมควรที่จะให้เดินก่อนคือพระสงฆ์ทั้งหลายมีความแยกกันใ น, ใ น, ใ, นในแนวความคิดว่า ง, งั้น พระพุทธองค์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายพูดออกมานี่ผิดทั้งหมดผู้ที่ที่บวชก่อนจะเป็นบวชก่อนเชี่ยวหนึ่งนาทีก็ตามสองนาทีก็ตามหนึ่งชั่วโมงก็ตามผู้ที่บวชภายหลังนั่นแหะถึงจะเป็นสกุลกษัตริย์พราหมณ์แพทยสกุลไหนก็ตามเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตามต้องนั่งทีหลังแต่ถ้าว่า ไปนั่งก่อนโดยที่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้รับอนุญาตจากพระเทเระผู้ใหญ่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตัวเองไปนั่งเอาเลยนะ่ปรับอาับัติทุกกฎอันนี้ก็คือพ่อวินยัยที่ตั้งตั้งบัญญัติขึ้นมาเลยในยุคสมัยนั้นนะอันนี้คือพระวินยัยคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเนี่ยต้องมีเหตุซะก่อนท่านจึงบัญญัติบัญญัติวินัยแต่ในท่านก็ได้ตรัสว่ า, าดูก่อนพิษ ส, สงทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายมาบวชในศาสนาของเราจะถากดเป็นผู้ได้ศึกษาศีลและวินยัยเป็นผู้ศึกษาในในอริยสัจ เ, เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมักได้ศึกษาในมักแปดได้ศึกษาในอนอริยที่จะออกจากกิเลสได้อย่างไรพวกท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาแต่ทำไมพวกเธอจึงไม่เคารพกัน จึงไม่ให้ความให้ไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เคารพกันแต่เราเป็นสัตติรชานเราเป็นสัตติรชานเรายังให้เกียรติกันเรายังเคารพกันแต่นี่พวกเธอได้มาศึกษาในอริยะมเพื่อมักผลนิพพานแท้ๆยังไม่เคารพกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็กลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่านที่พระพุทธองค์ เป็นชัดธิรชานั่นน่ะยังเคารพกันพระพทองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราได้เกิดเป็นนกกรทาเราได้เป็นนกกรทาเกิดมาในชาตินั้นแล้วก็มีสหายอยู่สามมีลิงและมีช้างมีนกกรทามีลิงและมีช้างทีนี้สามสหายนั่นนะ่ะไปมาหาสู่กันหากินด้วยกันไปที่ไหนด้วยกัน คือรักกันว่า ง, งันพูดง่ายๆสามสัตสามตัวเนี่ยไอ้บางทีนกกระทาไปเกาะล้างช้างฝัง่งนกลิงก็อ่ไอ้หยอกล้ อ, อ ก, กับนกกระทาใครแตไปด้วยกันแต่นี้วันหนึ่งก็เลยถามกันเลยเอ๊พวกเราสามชีวิตเนี่ยเออใครเกิดก่อนเกิดล้างกันพรพวกเราจะได้เคารพกันถ้าใครเกิดก่อนอา่าคนนั้นกถือว่าเป็นพี่ คนคนที่สองกือเป็นน้องใครจะเป็นพี่เป็นน้องเพราะนั้นพวกเราควรจะถามกันว่าใครเป็นพี่เป็นน้องใครเกิดก่อนกันในสามคนในสามนในสามชีวิตของเราเนี่ยทั้งนกกระทาทั้งลิงทั้งช้างเนี่ ย, ยก็เลยเขาก็เลยไปสนทนากันอยู่ต้นไซต้นหนึ่งว่าังต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งต้นไซ น, นั้นใหญ่แล้วนะนกกระทาก็บอกว่า ลราแวกนี้นะเะาแหวกแทบแถบนี้มีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งอยู่ทุงนู้นเอมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอยู่ทุ่งแต่แถวนี้ไม่มีนะไม่มีต้นไทรนี่ข้าพเจ้าได้ไปกินต้นไทรต้นนั้นแหละอพอกินแล้วก็มาหากินเขลียอยู่แถวเนี้ยมาคงจะมาถ่ายอุจจะละถ่ายเม็ดไทรลงในบริเวณนี้อแล้วก็มีนี่แหละต้นไทรก้นนี้จึงเกิดขึ้นในบริเวณนี้ตะกอนไม่มี ไม่มีต้นใส่ข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าข้าพเจ้าได้ถ่ายอุจจละใส่ต้นในบริเวณนี้จึงเกิดต้นใส่ตัว น, นี้ขึ้นเอทางเลีงก็บอกว่าออืสมัยข้าพเจ้าเกิดเอข้าพเจ้ามากับแม่อต้นใส่ตัวนี้ยังเล็กๆอยู่นะมาก็บบ้า น, นั่งอยู่ที่ได้สังเง่คอเนี่ยกัดกินยอดใส่ได้กินสัแเ ง, ง่คอกัดกินยอดใส่ทางช้างก็บอกว่าเออ เข้าพเจ้ามาหากินกับแม่ข้าพเจ้าเดินมานี่ยต้นต้นไทรตัวนี้เพียงสีข้างของข้าพเจ้าต้นไทรตัวนี้เพียงเพียงสีข้างของข้าพเจ้าแต่วันนี้ต้นไทรตัวนี้ใหญ่แลสัตว์ทั้งสามตัวจึงรู้ว่าโออถ้าอย่างนั้นกับนกกระทานี่ต้องเกิดก่อนพวกเราแล้วก็ลิงนี่เป็นตัวที่สองช้าเกิดที่หลังเพราะฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้ไปนะพวกเรารู้แล้วว่าทั้งสามพวกเรานี่นกกระทาเกิดก่อนลิงเป็นที่สองช้างเป็นที่สามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอให้นกกระทาเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ลิงเนี่ยเป็นที่สองช้างเนี่ยเป็นที่สามนับถือเคารพเรียกร้องกันตามอาวุโสเนะนี่แหละตั้งแต่บัดนั้นมา ลิงก็ดีนกกระทาก็ดีช้างก็ดีก็ให้เกียรติกันเพราะเหตุใดเพราะว่านกกระทาน่ะเกิดก่อนนี่แหละพระพุทธองค์ท่านโดยตรัสว่านี่แหละดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่ขณะเราเป็นสัตว์ที่ฉันเยาเรายังให้เกียรติกันเรายังเคารพกันเพราะนั้นพวกเธอทั้งหลายมาบวชในศาสนาของตถาคตที่จะมาชําระกายวาจาใจของตนเพื่อหาทาง คนทุกในวัตฏสงสารจะไม่มาเวียนไห้ตาเกิดอยู่แล้วทำไมพวกเธอจึงไม่เคารพซึ่งกันและกันแต่ขณะเราเป็นสัตว์ที่ฉันเดี๋ยวเรายังให้เกียรติกันเรายังเคารพ ก, กันสมัยนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่านกกทาคือเราตถาคตเลิงคือภาษาริบุตรช้างคือพระโมกขลาเฉวยวประชาติในชาตินั้น นี่ะอันนี้ก็คือผู้ใดก็าตามถ้าอยู่ในสถานที่ใดก็าตามลูกก็ให้เคารพรู้จักเคารพพ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควร อ, อันไหนควรเคารพอันไหนไม่ควรเคารพไม่รู้จักกระทั่งสิ่งสูงสิ่งต่ำแล้ว โลกในยุคนั้นเป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุดเพราะเหตุใดเพราะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรนี่แหละหลักของพุทธศาสนาสอนให้รู้จักสูงรู้จักต่ำแล้วก็นาศาัตยายาิโยมนา เ, เราอยู่ในสถานที่ใดให้รู้จักอันนี้คุณบิดามันดาอันนี้คุณครูอุปชอาอาจารย์อันนี้ ค, คุณเจ้าฟ้ามหากษัตริ์รู้จักสูงรู้จักต่ำ พวกเราอยู่ในสถานที่ใดวางตัวถูกแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะอยู่เย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ทำไมรู้จักสูงมารู้จักปีนป่ายกันไปเรื่อยนะเฮ้ยเหยียบย่ํากันไปเหยียบย่ํากันมาผลในสุกนะไม่พอใจขึ้นมาก็ถูกพยาบาทอาฆาต จ, จองเวีนเป็นอริศตูกันไปทุกหัวละแหง่งนะแต่ถ้าพวกเราให้อภัยกันแล้วนะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขนะการเล่านิทาน หรือ ว, ว่าการแจ้งอาการอพาราขององค์หลวงตาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะและก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านอยู่ห่างไกลฟังเสียงของหลวงพ่อนี่แหละขอขอให้พวกเราตั้งกิดอธิษฐานอย่างทุกครั้งที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวหลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกทุกท่านนะ ด้วยให้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็ขอตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ทำมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้สิ่งที่เป็นกุศลจะมากจะน้อยก็าตามขอขอให้เป็นพลังเพื่อกุญนห น, นรักษาสุขภาพองหลวงตาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ขอให้หายจากโรคขาพยาติขอให้เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเรานานเท่านานด้วยเถิน